ประเด็นที่สคนไทยสมัยก่อนกับคนไทยสมัยนี้ใครมีแววชาพุทธมากกว่ากันราสมัยก่อนก็ให้ของขลังราสมัยนี้ก็ให้วัตถุมงคลมองลึกลงไปต่างกันอย่างไรเรื่องการทำของขลังสิ่งศักดิก์สิทธิ์ให้แก่ชาวบ้านหลายท่านพิจารณาแล้วก็บอกว่าพระเก่าๆสมัยก่อนก็เป็นเหมือนกันเนี่ย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 คนก็พร้อมเปลี่ยนกันมาให้แรงงานเต็มที่แม้กระทั่งจะย้ายวัดคือย้ายเศนาสนะอาคารทั้งวัดไปตั้งในที่ใหม่ก็ไม่ต้องรื้อออกแต่ใช้กําลังคนมือเปล่ายกกุฏิและห่อสวดมนต์เป็นต้นเดินไปวางในที่ที่ต้องการเช่นยกห่อสวดมนต์ใหญ่ญาติโยมก็ให้ช่างมาตัดเสาวไว้แล้วก็เอาไม้ไผ่คันขนาบเสาและผูกเพิ่มในระหว่างให้ที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 พอด่าแม่โจรปับ๊บโจรยิงมาปังเดียวตายเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างความเชื่อนิของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมากับคุณรรมความดีต้องเรียกร้องศีลธรรมเวลานี้เป็นอย่างไรไม่มีการเรียกร้องศีลธรรมมีแต่เรียกร้องโชคลาภอย่างเดียวต้องการโชคลาภก็เอาเงินไปเช่าไปซื้อเอามา